ท่นฟังคะสถานีวิทยุครอบครวัวข่าว f อฟเอค่ะเป็นแม่ข่ายแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาเฉลิมประเกียรตินะคะที่เสนอรายการนี้อยู่สันสนิสนทนานําเอาพุท้ทวจนะนะคะมาให้ความรู้กับท่านเราไปพบกับพระอาจารย์พบูลอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกรอนทานีกันเลยนะคะนวัส ก, การค่ะอาจารย์พานค่ะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะนี้อยากจะ กลับเรียนท่าน น, นนะคะว่าดิฉันเห็นข่าวที่มากับปีใหม่อะค่ะอืว่าดูเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ที่แสดงธรรมแล้วก็พูดถึงพูท้ทวจนะมีมากขึ้นนะคะอ๋อดีดี ด, ดแล้วก็ยังเห็นมีคนเขียนหนังสืออะค่ะอ่าชื่อหนังสือดี่ฉันจําแน่นอนไม่ได้รู้แต่ว่าอ่านแล้วทําให้เข้าใจว่าเป็นหนังสือที่เอาพูท้ทวจนะเนี่ยมาทําให้ปรากฏค่ะอืมเขียนโดยคารวาทท่านหนึ่ง ก็คือถ้าใครเอาสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะเอาเป็นแม่บทเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกต่อด้วยบทที่ถูกต้องด้วยพยัญชนะที่ถูกต้องทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้พระสัตว์ธรรมตั้งอยู่ได้ดานหนึ่งในสีอย่างกราบเรียนถามความเห็นท่านเกี่ยวกับเรื่องของปีพุทธชยันตีหน่อยนะค ะ, ะคือจะไม่พูดถึงที่ใครต่อใครทําอะไรกันอยู่แล้วแต่จะกราบเรียนถาม ในส่วนของท่านพิบูรณ์ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติีปฏิบัติชอบแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่พระาศาสดาสอนอย่างเข้มข้นอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะคะว่าในโอกาสพิเศษที่เรามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมาเป็นเวลา 2,600 ปีนี้แล้วถ้าเป็นท่านจะเฉลิมฉลองด้วยวิธีใดคะอาตมาก็จะบูชาความดีของพุทธเจ้านะด้วยการที่ มีสมาธิถี่ดยการที่มีจิตไม่สัดสายหมุนไปผิดโดยการที่ให้จิตเป็นเอกขาตาไม่มีนิวรนเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครเราอดทนไวเราคําสอนพระุทธเจ้าเนี่ยมาบรรลือเสียนาต่อไปนะให้มันถูกต้องทั้งอัตถะพยัญชนะอัตมาจะตมาอย่างนี้ค่ะนะทีนี้ชาวพุทธทั้งปวงที่ฟังรายการนี้อยู่สามารถจะเป็นผู้ที่หมูชา 2,600 ปีของการเกิดของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีนี้ได้ไหมคะหรือว่าท่านจะแนะนำอะไรที่มันง่ายกว่านี้โอ้หนี่ง่ายที่สุดแล้วนะถ้าอย่างงั้นท่านช่วยลงรายละเอียดเลยได้ไหมควับว่ า, า ท, ท่านจะได้นำเอาไปทำอย่างเช่นว่าเขาด่าเราเราอดทนไว้อ่าเขาเอาเอ า, เอาอะไรทำไม่ดีมาให้เรานะเราก็มีเมตตากับเขาอันนี้คือชื่อว่าคุณเนี่ยแม่มันดีกว่าคนทั่วไปที่เขาจะด่ากันตอบจะทิ่มแทงกันด้วยห อ, อกปา จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองไปก่อมัฟเอาด่ากันออกทีวีด่าขึ้นเวทีเราไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหม<ะ>เราเป็นคนอย่างนี้ที่เราบูชาแล้ว<ะ>แล้วก็มันไม่ได้ยากเลยคุณสมมติคุณเป็นใบ้คุณไม่มีตงังคุณมีความปิดแผกแตกต่างทางด้านร่างกายบ่าคุณยังบูชาพระพุทธเจ้าได้เลยอเอาแค่ว่าเราปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติให้ถูกแล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ได้ทำไม่ได้ก็อดทนเอาอย่างเงี้ย เนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนดีทําได้แล้วคือเรื่องนี้นะบางคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องง่ายว่ามีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมแล้วคุณทําได้หรื อ, อยังบางคนต้องต้องไปทําอะไรมากมายที่เป็นเป็นพิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆนะอันนั้นก็ก็ทำได้นะอย่างไรก็ตามตรงนั้นก็ยังจะเป็นอามิสบูชาไงการบูชาด้วยการที่ใช้สิ่งของเข้าของแต่ที่บูชายกย่องสรรเสริญเนี่ยคือการบูชาที่ไม่ต้องใช้สิ่งของเป็นการบูชาทางด้านคุณธรรม ค่ะก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะหมายถึงให้ทุกคนที่ต้องการที่จะบูชาคุณของพระพุทธองค์ที่ตรัสรูท้ทำให้กับพวกเรามาเป็นเวลาสองพันหกร้อยปีในปีนี้หรือที่เราเรียกว่าปีพุทธชยันตีด้วยการปฏิบัติบูบชาใช่นะคะ อ, นนอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครจะบูชาด้วยสิ่งของเข้าของไม่ดีน ะ, คะาคุณก็ทาได้แล้วในขณะเดียวกันสมมติคุณจะไป ตั้งเครื่องบวง ส, วงสรวงสร้างสิ่งใดใดบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณก็ทำให้ให้จิตของเราไดียดีก็แล้วกันอย่าให้มีอกุณผลเกิดขึ้นอันนั้นก็ดีดีของคุณละ่ะคือดีดีไปหมดแต่นี่กำลังพูดถึงว่าสะดวกสำหรับแต่ละท่านที่จะทคือทำที่ตัวเราใช่ใช่ใชไหมค ะ, ะตัวเราทำก่อนถูกต้องแล้วติดป้ายเลยดีไหมคะเชิญชวนร่วมกันบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติไม่ ด า, อ, า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยชัดๆอย่างนี้เลยได้ไหมคะได้ได้ล้วมายิ่งดีมากเลยแ ต, แต่ทีนี้วิธีการเขียนทําอย่างไรถึงจะทําให้คนทั้งหลายที่เขาอ่านเขามีความรู้สึกว่านี่แหละเรากําลังปฏิบัติตามธรรมทำไงถึงจะให้รู้ว่านี่คือธรรมะแล้วเ อ, อคือตัวเรารู้ได้ด้วยตัวเองนะค่ะว่ า, าจิตของเรามีธรรมะจิตของเราอยู่ในแดนกุศลอยู่แล้วนี่ค่ะทีนี้ว่าถ้าเราต้องการเชิญชวนชักชวนคนอื่นได้ คือเราก็ชักชวนเชิญชวนคนที่เราพอจะชักชวนเชิญชวนได้เท่านั้นเองเพราะว่าเด้งคิดว่าเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจะต้องระลึกถึงเขาเรียกอะไรล่ะพระพุทธะมหากรุณาธิคุณยังเมื่อถึงโอกาสสำคัญสาคัญใช่ไหมครับปีใหม่เลวยังจุดพุเฉลิมฉลองกันถ้าเป็นถ้าตายเราหน้าที่จะทำให้หลักธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยได้ ภัสารแพ่เข้าไปในหัวจิตหัวใจของคนจนเขามีความเชื่อถึงขนาดนำไปปฏิบัตินะคะอันนี้ในความเข้าใจของท่านใช่แล้วมาก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะว่าถ้าเราจะต้องการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องบูชาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เท่าเพราะว่าบุญคุณของพระเจ้าตรงนี้เป็นเรื่องของนิรามิตจะมาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาสิ่งที่เป็นอามิตรมาตอบแทนจะไม่ได้จะไม่เสมอกัน เราต้องตอบแทนด้วยสิ่งที่เป็นนิรามิตเหมือนกันคือการชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมาพ้นจากทุกตรงนี้ด้วยก็จะได้บุญมหาศาลด้วยแหละคุณโยมติวค่ะนะครับดิฉันเชื่อว่าเราจะเห็นบรรยากาศแบบเนี้กันไปตลอดทั้งปีละเพราะว่าก็มีการตื่นตัวกันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจะเห็นมีการเตรียมตัวกันมากเลยอีกประการหนึ่งนะนอกจากการที่จะเฉลิมฉลองหรือว่าบูชาในลักษณะที่เป็นอามิตรหรือนิรามิตก็ดีเนี่ย อันนี้มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่า 2,600 ปีแล้วนะหมายความว่าเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปผ่านไปแล้วนะขนาดสอ0พปีเนี่ยมันยังเหลือแค่นี้เองนะใชไ่ไหมคือคอําอนพรเจ้าเนี่ยถูกบิดเบือนไปเยอะแล้วเหมือนกันนะมีพวกเครื่องรางของขั ง, งวิชาอาคมแหลงต่างๆที่ไม่ใช่เป็นคำสอนพรเจ้าเนี่ยก็ยังมีแอบแฝงเข้ามาใช่ไหม เ, เรายังพูดถึงการที่ศาสนาคำสอพรเจ้าเนี่ยเสื่อมหายไปจากอินเดียเ ม, มันเป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่า เราเดี๋ยวเวลาไม่มากนะเวลามันงวดเข้างวดเข้าแล้วนะเราควรจะเร่งรีบทําความดีของเราเถอะให้มากเข้าโ อ, อ้คือเหมือนกับเราก็ต้องตระหนักรู้ด้วยว่าอย่างไรเสียถึงแม้ว่าเป็นธรรมที่สูงส่งเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้ธรรมะข้อที่ว่ามันมีนะคะเป็นอนิจจังทุกข์ฐานาตาเหมือนกันอย่างนั้นเองค่ะคือหมายความว่าคืออย่างอริยสี่เนี่ยที่เรา ทิวิชาเคยบอกว่าเป็นอสังขตรธรรมใช่ไหมค่ะคือถ้าตั้งอยู่จะไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏนะแล้วก็คือหมายว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะก็ไม่เสื่อมหายไปแต่ว่าคนก็จะลืมกันไปเท่านั้นเองอืมคือตัวธรรมเนี่ยยังอยู่ใช่เหมือนเดิมแต่ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันจะเกื้อกูลให้ธรรมงอกงามเนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงใช่จนทําให้เราไม่สามารถที่จะสะดวกสบายในการที่จะปฏิบัติธรรมทิวิช้าก็ยังเคยตรัสไว้ในเรื่องนี้ว่าอริยสัจสีเนี่ยมีอยู่แล้วนะต่อให้พระองค์ไม่่มาเนีย มันก็มีอยู่แ ต, แต่ว่ามาเนี่ยคือเพื่อที่จะค้นพบตรงนี้แล้วมาบอกสอนท่านเองค่ะซึ่งอันเนี้ยดิฉันมองว่าพระศาสด า, าของเราเนี่ยไม่ได้ทรงโอ้อวดหรือว่าไม่ได้ไปเม า, าว่าทุกอย่างนี้ต้องเราเท่านั้นใช่ที่เป็นผู้ทําเองนะครท่านก็ยังทรงบอกว่ามันมีอยู่เพียงแต่ท่านเนี่ยได้พบอได้เห็นแล้วเอามาบอกแล้วก็จะเหมือนเหมือนกับของพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ผ่านๆมาทุกพระองค์ด้วย เยอะมากมีองแปลค่ะ <c oughs> ก็แปลกจริงๆนะคะคือถ้าถ้าคิดตามเนี่ยของก็มีอยู่อืมแต่ว่าทำไมถึงต้องมีพระพุทธเจ้ามาทั้งหลายพระองค์ที่จะมามาพบในเรื่องเดิมอืมค่ะก็เป็นโอกาสอันดีแล้วล่ะที่เราได้เกิดมาเป็นวามพุทธเนี่ย นี่น่าื่นเต้มากเลยกับพุทธชยันตีอืมจริงๆเราควรจะต้องเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคุณโยมเตียวการที่ปรากฏมีของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องมาศาจันที่ยากยากมากเลยจะมีสักครั้งหนึ่งอ่ะค่ะท่าไปิบูลครียนจินตนาการอย่างนี้นะอืคือในฐานะที่เราก็อาจจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นแดนเกิดของพระพุทธองค์อืแต่เป็นแดนที่ได้อ้างว่า นำเอาสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยมาเป็นหลักของความเชื่อของการที่จะพึ่งของคนทั้งประเทศหากปีนี้เนี่ยนะคะอะไรล่ะอาจยากรรมน้อยลงโกงกินกันน้อยลงอเอาเปรียบกันน้อยลงเป็นต้นเนี่ยนะเตียงานคือมันมันวัดได้คะ่ะสมมติว่าสถิติเนี่ยคนฆ่ากันตายน้อยลงคนลักขโมยกันน้อยลง คนหลอกลวงกันน้อยลงคนประพฤติผิดในเรื่องชู้สาวน้อยลงสมมตินะฮะอ่าสถิติการขายเหล้าน้อยลงเป็นเครื่องบูชาการที่เกิดมาของพระพุทธองค์ทบ 2,600 ปีของประเทศไทยดีมากมากเลยคุณยมเต๋อเยดีมากๆ <c oughs> เลยแม่ถ้าถ้ารัฐบาลไหนทำได้อย่างนี้นะแม่ดีมากๆเลยดีมากๆเลยจริงๆริเนี่ยคะ่ะแล้วดิฉันก็อยากจะกราบเรียนท่านตลอดจนท่านุฟังทั้งหลายนะคบว่าบางครั้งเนี่ยเรา อาจจะพึ่งองค์กรอย่างรัฐบาลอย่างเงี้ยทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าก็ทำหลายเรื่องแล้วก็อาจจะมองเห็นว่าประชาชนนี่ก็หลายหลากบางคนก็ต่างศาสนาใช่ไหม ะ, ะเราก็ต้องช่วยๆกันแล้วกันในฐานะเราเป็นชาวพุทธพูดไปถึงรัฐบาลว่าในซีกที่ทำได้ก็ทำให้เต็มที่นะคะในซีกองค์กรเอกชนทุกองค์เนี้ยดิฉันเชื่อว่านะคะท่านอาจจะขายของอย่างหนึ่ง แต่ถ้าสนับสนุนธรรมะในแนวทางนี้อของที่ท่านขายเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่การดําเนินการโดยตรงมันก็อาจจะได้ประโยชน์ไปโดยปริยายใช่ถูกต้องแล้วก็ในการทําตรงนี้นะเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องาศาสนาก็ได้เพราะเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกาลอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องพื้นนอยู่แล้วที่ใครๆก็จะต้องมีกันไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็น่าจะเป็นในลักษณะนี้ที่ฉันคิดว่าความเชื่อ ของผู้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องเคารพในความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ก้าวล่วงในความเคารพของกันและกันเรียนไปงานวันปีใหม่เราก็จะมีการอวยพรกันสิ่งดังๆออกมาอเงี้ยนะคะเรียนไปนสมมติว่าเราเป็นชาวพุทธเนื่องจากมีผู้ที่ร่วมอยู่ในงานเนี่ยหลากหลายวัยเราก็ต้องขึ้นต้นอาราธนาสิ่งสูงสุดของชาวพุทธคือพระพุทธเจ้าก่อนอใช่ไหมคะแล้วก็อวยพร ทีนี้พอมาเจอผู้ที่อยู่อ่าศาสนาแตกต่างจากเราเขาก็จะยกศาสดาของเขาอืมแต่ว่าบางครั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางทีเขาก็จะบอกว่าสูงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราฟังแล้วเราก็ได้แต่ยิ้มยิมแต่พูดถึงว่าต้องต้องบอกว่าศาสดาทุกศาสดาเนี่ยเราต้องให้ความเคารพใช่นะคะก็<อ>รบหมายความว่าคือบุคคลบุคลบคลนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะเราจะต้องมีคุณธรรมที่เขามีอยู่ จจะเป็นคือ จ, จะแบ่งกันไม่ว่าจะเป็นก็จะแบ่งได้สามอย่างนี้คือไม่เรื่องเสียงก็เรื่องสมาธิก็เรื่องปัญญานะแต่ละคนเนี่ยจะมีก็เรียกว่าเอาอประกอบตรงเนี้ยมากน้อยไม่เท่ากันถ้าใครมีมากคุณก็ทนจะถูกยกย่องด้วยคุณธรรมนั้นๆที่เขามีใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็เชื่ออย่างนี้นะคะเห็นคนในแต่ละความเชื่อแต่ละาศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามธรรมในาศาสนาของเขาเนี่ยเนึกว่า อยู่ใกล้ก็อุ่นใจนะคะคนแบบนั้นใช่ใช่เราจะมีความสบายใจความเย็นใจขึ้นมาทันทีค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะดําเนินชีวิตที่ดีไม่เป็นภัยกับบุคคลอื่นเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นสะดุด้วยซ้ำใช่แล้วในเรื่องของตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอามาทําตามทําอยู่เรื่อยๆนะคืออาจมาต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการที่เรามีรายการวิทยุการที่ยังมีคนที่ทําความดีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งมาสัจรย์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าความมีของพระพุทธเจ้าด้วย ยังมีการบอกสอนธรรมะ ต, ต่อไปอย่างคนนึ่งเขาทำไม่ดีกันว่ากันด่ากันเราก็ยังฝืนที่จะทำดีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นความมาสจร์ที่เกิดจากพระพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องนี่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปีเนี้ลองมาคิดกันวิธีของตัวเองคืออาจจะไม่ใช่วิธีของตัวเองคือวิธีของพุทธเจ้าแหละเราจะนำเอาในส่วนไหนมาปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชา ถึงพระคุณของพระพุทธองค์ช่วยยกันทำแล้วถ้าสมมติว่าดัชนีชีวัดทุกตัวมันปรากฏผลในทางบวกหมดนะคะสังคมดีขึ้นอะไรดีขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าสมแล้วละที่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธจึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคาเรียกว่าสยามเมืองยิ้ ม, มนะอ่ะนะก็คงจะบ่งบอกได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีเรื่องสบายใจหลายเรื่องทาให้ยิ้มกันอย่างเป็นประจำ ก็ให้ทําอย่างนี้ต่อไปอะไรค่ะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าออโลกที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแต่ที่ฉันคิดว่าถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคมันไม่ใช่เป็นปัญห า, ญหายกตัวอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไอทีต่างๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าถูกนําเอามานําเสนอในสิ่งที่สร้างสารรค์ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่จะจะลงคุณงามความดีเอาไว้อม นั่นเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันแล้วก็ถ้าอีกอย่างนะคะดิฉันขอพูดอีกสักเรื่องตามสถานศึกษาเนี่ยผ่านไปแ <Okay. S 2> ถวๆสถานศึกษาให้ท่านสังเกตดิฉันเนี่ยขับรถผ่านไปทางสถาบันเห็นว่ามีร้านค้าเปิดขึ้นใหม่ mm hmm. ส่วนใหญ่เป็นร้านนั่นไข่เหล้าเนะนั่น oh. คือทุกสถาบันเนี่ยต้องบอกว่าทุกสถาบันมักจะมีร้านพวกนี้ไปเปิดใกล้สถานศึกษา เราก็แปลกใจมากเลยว่าในเมื่อคุณใหญ่อยู่ในสังคมที่สุขสงบคนที่เป็นอ่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทําไมไม่คิดที่จะห่วงใยสังคมบ้างอืมคืออาชีพการขายเหล้าการขายสุราเนี่ยก็เป็นอาชีพที่คนหลีกเลี่ยงอยู่แล้วก็เป็นการค้าขายที่คุณหลีกเลี่ยงค่ะนี่ก็เป็นอีกแนวความคิดที่เสนอว่าท่านอาจจะเปลี่ยนไปขาย นมสดก็ได้นะคะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของ อ, อินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์มีเว็บไซต์ธรรมะเยอะแย ะ, ยะถ้าจะไปดูของท่านพิบูร์ก็มีเพียวธรรมะคอมนะคะแล้วก็ถ้าจะส่งคํ า, ถ า, ถ, าถามถึงเราก็ใส่สแลปหนสักหน่อยหรือว่าถ้าจะไปติดตามที่วัดนาป่าพงของท่านอาจารย์คือกฤิ์ที่มอบหนังสือให้พวกเราเป็นประจําวันละสามเล่ม โดยโทรศัพท์มาที่0 2 2 6 9 0 0 0 6เนี่ยนะคะท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w a t n a p w a t n a p c o m บางคนเขาเรียกวัดนา PP นะคะก็แล้วแต่ท่านจะจำแบบไหนเป็นต้นแล้วก็ยังมีเว็บอื่นอีกเยอะแยคะค่ะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมเปิดมาฟังรายการนี้สัม ส, สีรสัทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 วันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทวสวัสดีคะ่ะ